พอาจารย์พระอาจารย์กาดอมรัชการครับผมอ่าจางันพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ลืมใส่แล้วมันเหมือนเงียบๆไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะไม่มีเราไม่มีลำโพงใช่ท่ฟังครับอาจารย์ลืมไปแก่ทำแล้วลืมมีแสดงความแก่เข้ามาเยือนแล้วเดี๋ยวันนี้การเรียนถามพระอาจารย์เรื่องขันพอดีเลยครับอาจารย์ ฐานห้าก็คือร่างกายนะร่างกายแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดจากร่างกายจนเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นภาระเป็นภาระเพราะว่าร่างกายมันดูแลตัวเองมันไม่ได้ร่างกายมันหา ก, กินเองไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์แล้วผู้ที่ต้องมารับผิดชอบก็คือใจ ไม่ว่าจะเป็นชายของใครก็ตามข อ, อาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์หรือของปุถุชนนี้ก็ต้องมาดูแลร่างกายเหมือนกันรางการนี้เปรียบเหมือนรถยนต์นะครับเวลามีรถยนต์ก็ต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมมีภาระต้องทําความสะอาดล้างรถต้องเติมน้ํามันต้องคอยเช็คน้ําเช็คน้ํามั น, น, มนไรต่างๆดูลมยางอะไรถึงเวลาก็ต้องเอาเข้า อูให้เขาอดูแลปรับปรุงหรืออะไรเสียก็ไอ้เข้า อ, อูมันเป็นภาระถ้าเราไม่มีรถยนต์นี่สบายกว่าไะถ้าเราไม่มีรถยนต์ใช้แกร็บนี่สบายกว่าไหมบางก็เลือกแกร็บมาใช้เสร็จเราก็ไม่ต้องมาคอยดูแลมันแต่ร่างกายอันนี้มันไม่มีแกร็บให้เราใช้เลยถ้ามีร่างกายแกร็บก็ดีจะได้ถึงร่างกาย <laughs> เวลาอยากจะใช้ร่างกาย ก, กระโถเลือกลับมา <c oughs> ที่นี่มันมันมันโทรไม่ได้มันเรียกไม่ได้มัน <c oughs> มันมามาด้วยกันตั้งแต่เกิดมันก็เลยต้องเป็นภาระ ใ, ใจมันต้องเป็นผู้แบกภาระ น, นี้เบื้องต้นการสายพ่อแม่เวลาเกิดมาใหม่ๆยังไม่สามารถเลี้ยงดูร่างกายได้ด้วยตัวเอง <c oughs> ก็สายพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูให้ก่อน <c oughs> จนกระทั่งเราโตทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ทีนี้เราก็ดูแลร่างกายของเราเองแล้วตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวหาอาหารรับประทานนี่ล้วก็ต้องต้องดูแลต้องหาปัจจัยสี่ให้ร่างกายต้องมีบ้านอยู่มีเครื่องรูดห่ ม, หม มีอาหารเวลาประทานมีย า, ารักษาโรคเนี่ยมันเป็นภาระทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีร่างกายสักอย่างภาระเหล่านี้ก็ไม่มีเลยนี่คือความหมายของพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านทรงตรัสว่าภาระฮเวปัญจักขันี้ท่านบนว่ากับตัวท่านเองนว่ามีมีขันธ์ห้าแล้วเนะี่ยมันเป็นภาระถึงแม้ว่าใจท่านจะไม่ทุกกับมันก็ตามไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายแต่มันก็ยังต้องแบกภาระ เลี้ยงดูร่างกายนี้ไปะเราจะต้องคอยบีบนวดเวลามันเจ็บเส้นเจ็บอะไรเวลามันไม่ต้องออกกําลังกายให้มันทุกให้อ ว, วัยวะทํางานอะไรมันเป็นภาระทั้งนั้นนะ่ะถ้าไม่มีร่างกายแล้วแสนจะสบายอันท่านเปรียบเทียบไปฟังไม่มีร่างกายดียกว่านอกจากนอกจากถ้ามีกิเลสก็ยิ่งยิ่งมีมีความทุกข์เพิ่มมาเอง อีกขั้นหนึ่งถ้าผูุดูชนเรานอกจากภาระที่จะต้องแบกเรื่องดูร่านกายแล้วยังต้องมามาแบกกับกองทุกข์ที่เราไปเกิดจากอุปทานในขันห้าอุปทานก็คือไปยึดไปถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราก็เลยอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆรับใช้เราเป็นนานๆอันนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่หมายถึงภาลัยเฮเว่ อันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานทุกข์อันนี้ไม่มีในใจของพระอรหันต์พระพระพรุทธเจ้านี้ถ้าไม่มีทุกข์อันนี้ถ้ารู้ว่าร่างกายนี้มันห้ามมันไม่ได้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเรื่องของมันถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ทุกข์อันนี้ไม่มีในใจของพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าแต่การแบกภาระเลดูร่างกายต้องมีปัจจัยสี่นี่ยังมีอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระลานเหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าก็ยังต้องบินฑบานหาหารมารับประทานต้องมีที่พ้าผ่อนหลับน้อยมีทีน่นอนกกนุ่ครื่องนุ่งห่มแต่ท่านอยู่แบบนักน้อยสัโดุลเพื่อลดลดภาระให้มันน้อยที่สุดนับน้อยก็คือใช้ของที่ให้น้อยที่สุด เสื้อผ้ากเอาแค่ชุดเดียวผ้าไต่สามผื น, นอาหารก็กินแค่มื้อเดียวที่อยู่ก็ที่ไหนก็ได้ที่มีหลบแดนหลบฝนได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นข้าราหารเป็นพระราชวังควมีที่ยารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูดเอาผลไม้มาดอกด้วยน้ำปัสสาวะน้ำมูดก็คือน้าปัสสาวะ เวลาเจ็บไายได้ป่วยก็เอาน้ํานี้มาดืม่มปวดท้องปวดศีศ่สะอะไรนี้ก็ดื่มไป mm hmm. ถ้าอยู่แบบมากน้อยพาราถึงน้อยลงถ้าเราอยู่แบบพุ่มเฟือยอยู่แบบลรูหราที่พารามันจะเพิ่มขึ้นเช่ mm hmm. นเสื้อผ้าแทนที่จะใช้ชุดละสองร้อ hmm. ยเอาสักสองพันนี่มันเพิ่มสิบเท่านะต้องหาเงินมา ซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้ซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆกิ่ปร ะ, ะี่ยชีวิตของเราเนี่ยหมดไปกับการเลี้ยงดูร่างกายไปอย่างน้อยก็ต้อง 50% เี่นไปแล้วค่าใช้จ่ายตา่างๆส่วนที่เหลือ 50% ก็ไปใช้จ่ายกับกิเลสตนหาการมรตตณาไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มมหาลักษณ์บันเทาอะไรตา่างๆ แต่พระอหันพระพุทธเจ้าท่านไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ครับถ้าไม่ไม่ไม่เลกิเลสเพราะท่านฆ่ากิเลสหมดนะแล้วมาเอาเก็บมาไว้เพราะมีกิเลสแล้ว ม, มันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่มีกิเลสท่านก็เลยไม่ต้องไปดูหนังฟังพเพลงไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าไม่มีความอยากผักนั้นก็มันก็เหลือแต่ภาระที่ต้องเล่นดูนั่างกายท่านก็เอาแบบมั่ร้อยฉันโดด มากน้อยแล้วก็ยังก็ยังเป็นภาระอยู่ยังต้องแบกมันอยู่ยังต้องมาเรีย้ยงดูมันอยู่ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจภาระนี้ถึงจะหมดไปครับอาจารย์อย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุทำแล้วก็เลยตอนที่ท่านบรรณภาพนั่นก็เลยไม่ยิ่งรู้สึกสบายใจสิครับอาจารย์ยิ่งวางภาระงนั่นขันไปอีกใช่ละละขันการละวางขันได้มันก็หมดภาระไปเหมือนเลิก เลิใช้รถยนต์ได้ไม่ต้องใช้รถยนต์นะรถยนต์ก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องซ่องไม่ต้องแตน้น้ํามันไม่ต้องไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับรถยนต์ถ้าเราเลิกใช้รถยนต์หน้าเราก็สบายขึ้นแต่ถ้าเราต้องใช้รถยนต์เราก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมีภาระที่จะต้องดูแลรถยนต์ให้มันอยู่ในสภาพที่เราใช้งานได้ อาจารย์ครับที่บอกว่าขันห้าเป็นของหนักนี้แสดงว่ารวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของหนักเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์นอกจากรูปแล้วก็หนักตรงที่มันมันมีเวทนามันมันทุกข์่ยเวลาหิวข้าวมันก็มีเวทนามันมาบอกว่าถึงเวลาต้องหาอาหารให้มันกินแล้วเราไปเหมือนคนรับใช้มันนอะถึงเวลามันก็สั่งให้เราไปหาอาหารให้เรากินถึงเวลามันอยากร่างกายสกปรกมันก็ต้องอาบน้าให้มันต้องแปลงพันให้มัน ต้องรักษาสุขภาพาไว้มันออกกำลังกายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นภาระทั้งนั้นมันก็มันก็เกี่ยวดองกันอนะ่ะคือถ้าร่างกายไม่มีขันมันก็เป็นซากศพตัวนั้นถ้าไม่มีนมามขันมันก็เป็นซากศุขธิบายไหมครับซากศพนี่ไม่มีนมามขันไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาสัญญาร่างกายเป็นาณ ม, มาเกี่ยวข้องด้วยอ่าถ้ามีมีนมามขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมัน นามขันคือใจก็ต้องมารับรู้ถึงความเจ็บความป่วยความสุขความทุกข์ของร่างกายก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาเวลาร่างกายเจ็บเจ็บเพราะยะเจ็บเพราะโรคภัยก็เจ็บก็ต้องไปหาหมอหมอก็จะให้ทํานู่นทานี่อผ่าตรงนั้นตัดตรงนี้อะไรก็ว่าไปตามวิชาการมันมันแสดงออกผ่านทางเวทนาไงถ้าไม่มีนามขันมันก็จะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรเจ็บเอ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไายได้ป่วยใจก็จะไม่มีการรับรู้แต่เนื่องจากใจมาเชื่อมกับร่างกายผ่านกระแสของวิญญาณวิญญาณห้าวิญญาณจากกักรวิญญาณสมุตะวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยมันรับรู้สภาพของร่างกายว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันหิวหรือมันอิ่มมันง่วงนอนหรือไม่ง่วงนอนใจมันเป็นผู้รับรู้แล้วก็เป็นผู้จัด ก, การ เมือนการ่างกายส่งสัญญาณว่าตอนนี้หิวแล้วนะใจ ก, ก็โอเคเดี๋ยวไปหาอาหารให้กินตอนนี้หิวน้แล้วนะโอเคหาอาหารน้ำตอนนี้ง่วงนอนแล้วนะโอเคหาที่นอนให้มันนอนอมันมีการทํางานปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนามะขานกับรูปปั้นหากเมื่อใดนาำมะขามแยกออกจากรูปปัน้นน้ำมะขามขก็หมดภาระไม่ต้องมาคอยจายก็หมดภาระที่ไม่ต้องมาคอยดูแลร่างกายต่อไป พอใจกับร่างกายแยกจากกันไม่มีการเชื่อมต่อกันร่างกายเป็นอะไรตอนนั้นใจก็ไม่รับรู้แล้วเอาไปเผาไว้ฝังใจก็ไม่เดือดร้อนไม่ไม่รับรู้ว่าร่างกายเดือดร้อนแต่ถ้ายังมีเชื่อมต่อกันนีเ้เอาเข็มเอาเอาเข็มไปทิ่มนิดเดียวก็สะดุ้งแต่เวลาไม่มีการเชื่อมต่อกันแล้วเอาเข็มไปทิ่มศพ น, นี่ เราเข็นไปที่มืมีไปผ่ามันไม่มีไข่สนุ้ไม่ต้องวางยาสลบไม่ต้องฉีดยาชาพอผู้รับรู้ไม่ไมม่่ไได้อยู่แล้วไม่ไม่มารับรู้สภาพการเป็นอยู่ของร่างกายแนะแต่ถ้ายังมีการเชื่อมต่อยังมีการทํางานของร่างกายอยู่ขันนาำขันก็ยังเชื่อมต่ออยู่กับร่างกายถ้าแยกออกจากกานเมื่อรูปปั้นหยุดทํางานคือหยุดลมหายใจเมื่อ อว้ยว่าต่างๆอยู่ทํางานงานอาคัรก็จะแยกออกจากรูปอาคารไปใจนี้มากขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับกลับไปอาจารย์ไม่มีการไม่มีร่างกายนะดีที่สุดทีทั้งทางด้านเรื่องภารนะไม่มีภารนะแล้วก็ต้องมาไม่ถ้ายังมีกิเลสก็จะต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พระอาจารย์ครับอย่างนี้ขันของเทวดาที่ไม่มีร่างกายก็ยังยังเป็นภาระอยู่ใช่ไหมครับอาจารย<ช>์ไม่ต้องเหมือนตอนไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีรูปต้องมาเป็นภาละเนี่ยไม่ต้องเลงดูอะไรก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเรานอนหลับเราก็เป็นเทวดาหรือเป็นเปรยแล้วแต่บุญแล้วแต่บาป ท, ที่เราทําแล้วถ้าเราเป็นเทวดามันก็จะผลิตแต่มันก็จะเ น, น้นเรื่องราวดีๆให้เราได้ได้ได้รับชม โลกวิญาณนี่มันเป็นเหมือนแดนในระิตกแล้วผู้ที่ในระิตกเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็คือบุญหรือบาปตอนที่เราไม่มีร่างกายในตอนที่เรานอนหลับนี้เราก็เลิกเราก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับร่างกายชั่วข้าวนามขันไม่ได้เชื่อมต่อกับร่างกายชั่วข้าวแต่ไม่ได้ตัดขาดเพียงแต่ไม่ไม่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กัน เพรนั้นนังขันก็อยู่ตามลำพังนังขันก็อาศัยบุญหรือบาปเป็นผู้ที่มาดระเบิดเรื่องราวต่างๆให้ได้เสพได้สัมผัสเพราะว่าใจยังหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นลดเยอะก็เลยอาศัยสัญญาสังขารเนี่ยเป็นตัวในระเบิดขึ้นมาถ้าสัญญาคือความจําบันทึกเรื่องราวที่ดีไปทําบุญที่นั่นไปทําบุญที่นี่มันก็จะมีข้อมูลที่ดีมาทําให้ใระเบิดเรื่องราวที่ดีให้ไดให้ได้รับชม แต่ถ้าสัญญาไปบันทึกเรื่องไม่ดีไปฆ่าฟันไปทําสงครามอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เรื่องเรื่องหวาดกลัวหวาดเสียวต่างๆเวลามันมาในละมิตมันก็จะมาในลิมิตเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็จะฝันร้ายกันฝันร้ายเนี่ฝันร้ก็เกิดจากการทําบุญและทําบาปของเรานี่ทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็บันทึกเรื่องที่ดีไว้ในสัญญาทุกครั้งที่เราทําบาปไว้แล้วก็บันทึกเรื่องที่ไม่ดีไว้ในสัญญา พอเวลาที่เราไม่มีร่างกายจัญญาสัางขารก็จะเป็นผู้ที่มาเดลมิรเรื่องราวต่างๆให้ให้ให้กิเลสได้เสใ้ให้กิเลสได้เสพตัณหาความอยากได้เสเกืขอ บ, บพระคุณพระอาจารย์ครับมีคำถามฝากถามมาจากผู้ชมรายการนะครพระอาจารย์บอกว่ามีคุณแม่ที่อายุ87ปีนะครับเป็นมะเร็ง แล้วก็บอกว่าลูกๆเนี่ยลงความเห็นว่าจะไม่บอกเพราะว่าคิดว่าแม่รับไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปครับแต่ว่าหมอที่ดูแลเนี่ยบอกว่าน่าจะให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองคําถามก็คือว่าหากลูกตัดสินใจว่าไม่บอกเนี่ยครับเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวลูกไปไหมครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่ว่าแม่เขาถามหรือไม่ถามถ้านเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร หรือ่าถ้าเขาถามก็บอกว่าแม่ไปถามหมอดีกว่าให้หมอบอกดีกว่าก็นยะโยนภาระไปให้หมอก็ถ้าเราไม่อยากจะบอกก็ให้หมอให้หมอเป็นคนบอกเพราะหมอหมอเป็นคนดูแลไข้คุณแม่หมอต้องเป็นคนบอกบอกคุณแม่ว่าเป็นอะไรใช่ไหมอย่างนี้ก็ไนดะ้แต่การถ้าการาการไม่บอกนี้ไม่ไม่บาปนะเพราะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดเท็จไง แต่ถ้าไปพูดเท็จไปโกหกมมแล้วบอกบอกแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่สบายดีอย่างเงี้ยป่ะเพราะ <ừ. S 1> ถ้าเป็นบมงเร็งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนบอกว่าแม่เป็นมะเร็งก็เดี๋ยวก็เชิญคุณหมอมาพูดกับแม่กันแล้วกันคุณหมอคุณแม่ก็ อ, อยากจะรู้ว่าแม่เป็นอะไรคุณหมอช่วยอธิบายกับแม่ฟังหน่อยที่เราไม่ค่อยเข้าใจภาษาแพทย์เรื่องราวขอแพทย์เป็นยังไงก็โยนภาระให้ให้หมอไปก็ได้ ก็ขึ้นอยู่ที่คนไข้ว่าอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้คนไข้าบางคนก็ไม่อยากจะรู้ก็มีถ้าเขาไม่รู้เขาไม่อยากจะรู้เขาไม่ถามก็ไม่ต้องไปพูดอะไรก็รักษ า, าไปตามอาการไปแ ต, แต่ถ้าคนไข่ยอยากจะรู้ฉันเป็นอะไรก็เชิญคุณหมอมาให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังเป็นทางออกที่ดีมากเลยครับ เราห้ามไม่ได้ถ้าคนไข้เขาอยากจะรู้เขาล่างกายของเขาชีวิตของเขาเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงคิดถึงตัวเราบ้านถ้าเราเป็นคนใข้แล้วเราอยากจะรู้แล้วไม่มีใครไปอภบอกเรานี่จะเป็นยังไงมันก็จะทําทให้เราอึดอัดเนี่ยใช่ครับคําถามจากคุณดําครับอวิชชาคือความไม่รู้ถามว่าไม่รู้อะไรครับแล้วจะทําให้รู้แจ้งจนมีวิชาได้ยังไงครับไม่รู้ะระยะสัตว์สีไม่รู้ไตรับเนี่ย นั่นแหละไม่รู้ว่าทุกของเราเกิดจากความอยากการเกิดของเราการเกิดมามีร่างกายเนี่ยเกิดจากความอยากมีรูปเสียงกลิ่นรสไว้เสพก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายก็เลยมาเกิดกันมาเกิดแล้วก็มาหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็มาเจอกับความทุกข์อีกเพราะเวลาอยากอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่เวลาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ พราะไม่เห็นว่ารูปเสียงกิเลสที่อยากจะเสียนี่มันเป็นของชั่วข่าวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะต้องรู้ว่าวิรู้อายะสัตสีรู้ไตรลักษณ์นี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะก็จะไม่มาเกิดองก็จะหยุดก็จะหยุดตัญหาความอยากเมื่อไม่มีตัญหาความอยากก็ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีเรื่องราวต่างๆที่เรามานั่งพูดกันปากเปียกปากฉี่อยู่ทุก ทุกวันอาทิตย์นี้ <laughs> <c oughs> คุณพัทรรัตน์นายครับถ้ามีเจตนาฆ่าตัวตายอยู่ก่อนแล้วแต่กลับตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมจะยังเป็นบาปกับคนที่จะคิดอีกไหมครับและจะส่งผลอย่างไรครับอ๋อถ้าเราไม่ได้ทําให้มันตายเองไม่บาปยังไม่บาปความคิดเฉยๆยังไม่บาปแต่ถ้าคิดแล้วทําให้เกิดขึ้นมามันถึงบาป หรือจะแกล้งขับรถแบบประมาทไม่ไม่ระมัดระวังนี้ก็ถือว่ามีมันก็ยังถือว่าเป็นการกระทําของเราอยู่ถ้าพอปกติตามสามัญสํานึกคนเราก็ต้องระมัดระวังในการขับรถแต่ถ้าอยากจะตายแต่ไม่ไม่เหมือนเหมือนจะเลี่ยงมารีว่าฉันไม่ได้ฆ่าตัวตายฉันก็เลยไปขับรถแบบสวิตสวานแบบอย่างนี้มันก็ยังถือว่าเป็นการกระทําให้ตนเองตาย คุณวีนาครับบอกว่าการแต่งขันห้าตามความเชื่อโบราณทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหมครับแต่งอะไรขันห้าแต่งร่างกายเนี่ยแต่งร่างกายแต่งให้สวยให้งามเลยแต่งเ่าแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาเลยก็แต่งได้เท่านั้นนต่อย่างอื่นแต่งไม่ได้ก็แต่งได้ที่ร่างกายเท่านั้นครับในทั้งโลกมันอาจจะทำให้ดีขึ้นคารคุณบมอว่า่ง อ๋อเหมือนกับเขาอาจจะถามเหมือนกับไปบูชาไปแต่งขันไปบูชาพระอะไรประมาณนี้ไหมครับไม่มีหลัทางพิธสศาสนามันไม่มีการแต่งขันแต่ไม่ได้ ค, คุณแว่นครับพระอาหนอ์เป็นเอตตะคะในทานพระหูสูตรเป็นผู้มีสติมีความเพียรและยังมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเป็นพุทธอุปถาของพุทธเจ้าแต่ทําไมจึงสบายเป็นพระอรหันต์ช้า ก, กว่าสาวกท่านอื่นครับ ว่าช่วงที่อุปถาดนี้ท่านไม่มีเวลาไปปฏิบัตินท่านดูแลพระเจ้าแล้ว ต, ตื่นขึ้นมาจากการทั่งหลับท่านก็ค่อยดูแลค่อยรับใช้เป็นเป็นเลขาประจําตัวเวลาใครจะมาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านพระอานุ์ก่อนพระนุนต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระอนุ์เลยจึงไม่มีเวลาที่จะไปปิดวิเวกไปปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นกว่าที่ท่านได้รับแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นสวสดาบันแล้วนะ ที่ท่านมาละอุปทาโคตรเจ้าอุปทาคุณอยู่ต้องยี่สิบกว่าปีด้วยกันตอนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ขึ้นไม่ได้ออกไปพิจารณาอสุภะอะไรํานองนี้ก็เลยจิตก็ยังอยู่ติดอยู่ที่เดิมแต่พอหลังจากที่พระเจ้าต่างจากเวลาที่นิวตกงานแล้วเสีไม่มีงานทํานะรับนไม่มีงานทําก็เลยหานมาทํางานทางด้านธรรมะได้อะไรนียไม่ปีกเว่ยเดินจยกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญา สามเดือนก็บรรลุเป็นผ้าหลานได้ ค, คุณเฟื่องครับคําถามแรกในขณะที่เราหลับฝันไปผู้รู้อยู่ไหนเจ้าคะก็อยู่กับความฝันไงเวลาเราฝันเรารู้ใช่ไหเราฝันเร่องนั้นเรื่องๆๆนี้นั่นแหละคือผู้รู้แหละครับคบําถามที่สองครับหากเราหมดลมไปในขณะหลับหรือหล่ตายเราก็ไม่ได้บริกรรมพุโทโธเพราะมัวแต่ฝัน จิตจะมีโอกาสได้นึกพุโทโธอีกเมื่อไหร่คะหรือจะติดจิตเราไปเมื่อเรารู้สึกตัวอีกทีเมื่อตัวเองตายไปครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมของเราถ้าเราฝึกฝนอารมณจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจนี่มันก็ถึงเวลาที่มันจะตั้งพุโทโธมันก็จะพุโทโธขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยไปมันก็จะไม่เกิดมันก็ต้องเป็นไปตามอานาจของบุญของบาปไป ถ้าจะบุญจะหรือบาปจะพาไปคุณกิฟฟินครับจิตอยู่ภายใต้อำนาจของไตายักหรือไม่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนามขันนี่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎของไตายักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและธรรมรมนี้แต่ตัวจิตเองไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของไตายักตัวจิตเป็นธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของตายัก ธาตุนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ไม่มีเสื่อมไม่มีไม่มีเสื่อมไม่มีจัดเินของเส้นของวาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเหมือนกับธาตุอีกอีกห้าธาตุด้วยกันคือดินน้ําลมไฟกับอวกาศธาตุก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันไม่เกิดไม่ดับคุณวุฒิชัยครับ พระอนาคามียังคงมีขันบางส่วนหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับเช่นสัญญาขันครับอ๋อมีขันครบขันห้าครบเนกิเลสหายไปเยอะหายไปห้าตัวกิเลสคือสังโยชน์หายไปห้าตัวแต่ขันนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าพระลานก็ยังมีครบบริบูรณขันห้านี้ครบจะหมดก็ตอนที่ตอนที่ร่างกายตายไปตอนนั้นก็เหลือแต่ขันสี่ในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพระลาน คุณวันดีครับหนักกายหรือหนักใจลดสิ่งใดได้เร็วกว่ากันคะก็แล้วแต่เราจะลดเองหนักกายเราก็อยากกินให้มันมากกินให้มันน้อยมันน้ําหนักมันก็จะได้ลดใช่ไหมหนักกายตทางน้ําหนักว่ามันเกินนี่ก็ไปอดอาหารอดข้าวเออมันก็จะทําให้กายเบาขึ้นหนักใจก็ต้องอย่าไปแบกอย่าไปอุปทาน อย่าไปยึดไปติดกับสิ่ ง, งตา่างๆอย่าไปถือว่าเป็นตัวเป็นของเราเป็นตัวเราของเรามันก็จะทำให้ใจเบาขึ้นมาได้มันยากทั้งสองอย่างห น, น, นักกายก็ยากหนักใจก็ยากลดความหนักกายก็ยากลดความหนักใจก็ยกิ่งยากใหญ่คุณชุชาครับ เ, เรียนพระอาจารย์นะครับบอกว่าวันนี้ลูกปฏิบัติทำได้ดีมากครับ สาธุให้ปฏิบัติได้ดีทุกวันให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปตลอดนะคุณหมวยครับเวลาสวดมนต์ทำไมถึงหาวครับแต่ไม่ได้ง่วงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตื่นเต้นเล่าใจเหมือนกับการดูหนังอะไรเรื่องการกระทำร้องราทําเพลงมันทําให้ใจเรามีความเอ่อเล่าใจขึ้นมาเวลาส่วนที่มันจะทําให้ใจเราสงบ มันก็เหมือนกับตอนที่เราใกล้จะหลับเวลาเวลาที่เราใกล้จะหลับนี้ใจเราจะสงบนุ่งมันก็เลยทาให้เราสึก ง, วง่วงยองเหงาขาวขึ้นมาอาจารย์มีคนเที่ไปเรื่อยคอมเมนต์บอกว่าทําทําไมคิดเหมือนกันไหมว่าธรรมะแบบพระอาจารย์หาฟังยากครับทำ <laughs> ไมเหมือนกัน <laughs> หาฟั ง, <laughs> งยากมากเลย ก็เราไปหาผิดที่เี่ยถ้าไปความสายหลวงปู่มั่นเนี่ยมีธรรมะแบบนี้ทั้งนั้นน่ะครูบาอาจารย์ต่างๆสายหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สอนเรื่องราวเหล่านี้นั้นไปอ่านนังสือลองตามมหาดูด้วยเนี่ยก็มีเรงราเหล่านี้นนทั้งนั้นแต่ภาษาของท่านกับภาษาของเราอาจจะต่างกันท่านอาจจะค่อนค่อนข้างไปทางโบราณหน่อยคําพูดคำจาบางคำอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่สำหรับเรา่องนี้อาจจะทําสมัยกว่า คปราาานนนนที่เใใใชช้กกััััจจุบมอาจารย์ครับเป็นพระครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่สอนธรรมะจากการปฏิบัติที่ท่านได้เจอเองนี่เป็นไปได้ไหมครับเลยรู้สึกฟังแล้วมันถึงใจอะครับอาจารย์ก็ทางทางที่ได้ศึกษามาก่อนก็ต้องมีแนวทางศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนมรรคแปดอริยสัจสี่แล้วท่านก็เอามาขยายความจากการที่ได้ปฏิบัติ แล้วท่านเข้าใจอย่างไรแล้วท่านก็เอามาสอนคนอื่นต่ออีกทีหนึง่งอันนี้มาจากการปฏิบัติแต่เมื่อก่อนก็ต้องมีแนวมีมีแนวทางมีอริยาสาัจสีมีตายรักมีมรรคแปดอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรวิธีปฏิบัติต้องผ่านอะไรบ้างทําอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกัน คุณมาริสาครับคนบางคนมีความทุกข์ทางใจจนมีผลกระทบสุขภาพอยากขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําวิธีลดความทุกข์ทางใจเจ้ค่ะก็ลดความอยาอกไงยครับทุกมันทางใจก็เกิดจากความอยากลดความอยากมันอยากเป็นจู้ที่กกจุดจิกพระเจ้าสอนให้เราใช้ความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็ลดความอยากลงเอาไม่น้อยเอาเท่าที่จําเป็นสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิด แล้วทุกทางใจก็จะเบาลงแต่ไม่หมดนะนะมันช่วยลดไปได้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะัถ้าเรากินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องมากังวลกันเรื่องว่าเวลาจะกินอาหารกินอะไรกินที่ไหนกินได้หมดอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่กินได้หมดในกินที่ไหนอยู่ที่ไหนก็กินได้หมดสบายกว่าคนที่โอ้ต้องเลือกอาหารแล้วบางคนก็จู้จี้จุกจิกกับที่อยู่อาศัยที่ยู่อาศัยห้องน้ําต้องสะอาดต้องอะไรบ้างอย่างเงี้ พ อ, อไเจอห้องน้าไม่สกปรกขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาแนะ้วยังต้องพยายามมีความมากน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่ในเบื้องต้นแล้วก็ละความอยากได้ของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นลงไปความทุกข์ใจเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ขณะที่อยากได้ก็ทุกข์ใจกังวลกังวลกระสับกระสาย พอได้มาแล้วก็ทําทุกข์เพราะต้องมาคอยรักษามันอีกเวลามันหายไปก็ทุกข์อีกถ้าไม่มีสักอย่างก็จบด้วยความทุกข์ลงมาได้เยอะเลยงั้นอย่าไปมีในสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องมีถ้ามันอยู่แบบเรียบง่า ย, ยามากน้อยสัมโดด น, นี่คือวิธีการลดความทุกข์ทางใจนนในเบื้องต้นสําหรับคารวะของผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ ยังไม่ต้องเข้าไปถึงขั้นภาวน า, าแค่ขั้นการการการอยู่กินการกินการอยู่บริโภคอะไรต่างๆนี้เอาเท่าที่จำเป็นน้อยสุดเดดเรียบง่ายไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยพระอาจารย์ฟังดูแล้วเหมือนกับในสมัยนี้มีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามินิมอลลิสเงี้ยครัแบอาจารย์ใช่เขาเรียกสุดาเพื่อมินิมอลลิสเนี่ยแต่ใ น, นบางทีก็เกินไปสุดตรงไป เป็นที จ, จะกระทั่งบังทีมันทำใหเ้เกิดความทุกข์ยากลาบากขึ้นมาอันนี้ก็เกินไปเราต้องมัดชิมาเอาทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีกับความต้องการของร่จงกาคุณมะม่วงครับพระอาจารย์คะเราเจอคนที่ชอบว่าร้ายให้เราแต่หลีบเลี่ยงไม่ได้ต้งวางใจอย่างไรครับ ก็ปล่อยเขาว่าไปเท่านั้นเองไม่เป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรเลยเขาอยากจะดา่าเราก็ปล่อยเ้าดา่าเราไปปัญหาของเราคือเราไม่ชอบให้เขาว่าร mm ้ายเรากับเราเราชอบให้เขาพูดแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีเขาก็พูดเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกใจเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเราต้องปรับใจเราพ้องยอมรับ ว, ว่าเราไปควบคุมบังคับเขาห้ามเขาไม่ได้ถ้าต้องอยู่กับเขาก็เราเอาหูาาาาไปนาเตาไปไล่เสียก็จะพูดอะไรก็อย่าไปสนใจ เข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปถ้าใจมันยังอยากจะไปเอามาคิดให้หนัก อ, อกหนักใจก็ใชท่องพุโทโธไปเน่ยช่วงที่เจอในช่วงที่ก็พูดอะไรให้เราฟังแล้วก็แล้วก็ในใจเราก็ฟะเราก็ในใจเราก็พุโทโธพุโทโธไป ม, มันรับรู้เรื่องที่เขาพูดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคุณดำครับ ว่าโดยย่ออุปทานขันทังห้าเป็นตัวทุกข์แต่ทําไมยังเห็นว่ามีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปจะทําอย่างไรให้เห็นว่าขันทังห้าเป็นตัวทุกข์อย่างเดียวครับก็เพราะว่าเราพยายามพอมันทุกข์เราก็หนีมันไงพอสิ่งนี้ทำาล้วทุกข์เราก็ทิ้งไปแล้วหาสิ่งใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆมันเกงมีทั้งสุขทั้งทุกข์เราเอาแต่ส่วนที่เป็นสุขพอเจอส่วนที่เปนทุกข์เราก็ถ้าเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนทิ้งได้ก็ทิ้งไป แต่มันต้องมาเจอในเวลาที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทิ้งได้คือร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่มันทุกข์ขึ้นมานี่เราทิ้งร่างกายไม่ได้เปลี่ยนร่างกายไม่ได้เช่นเวลาเกิดโรคภัยไค้เจ็บขึ้นมาทีนี้ก็ต้องเจ อ, อความทุกข์พระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสให้เราเรา้องถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลงพผลความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ล้มพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้เราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ปาฏนาหลีกเลี่ยงไม่ได้เราคิดอย่างนี้เหตุการณตรงที้บางทีมันไม่เกิด บ, บ่อยหรือเวลามันเกิดบางทีเราก็หลบได้หลีกได้แล้วก็หลบมันไปมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นทุกข์เพราะเรามเจอตอนที่มันจนตรอกนี่หลบไม่ได้หลีกไม่ได้เพอเราหนักทุกข์มันก็จะหม่มหมใส่เราอย่างเต็มร้อยเลย ดังนั้นก็อยากจะคิดค่าตัวตายเพื่อหนีความทุกข์ไปก็เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองการฆ่าตัวตายก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจกันไว้คุณวุติชัยครับการดูแลใส่ใจสุขภาพเพื่อบำรุงรักษาร่างกายแต่ไม่ถึงกับต้องมีอาหารเสริมเพียงแต่ศึกษาเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เป็นอยู่จะถือว่ายังติดอยู่ในการมติัญหาหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าเรา มีตกกังวลกับมันหรือไม่ถ้าม่ตกกังวลก็แล้ว่าเราก็ยังมีความห่วงใ ย, ยอยู่ถ้าเราไม่มีตกกังลวลเราก็ดูแลไปตามตามอัตภาพของมันถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็นอนอตามเรื่องของมันไม่กังวลกับมันนี้ก็ก็ถือว่าไม่เป็นตนัณาแต่ถ้าถ้าไปดูแลเพื่อจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรเลยพอมันเป็นขึ้นมามันก็ทุกข์ใจขึ้นมาแลืกังวลขึ้นมา ถ้าวันวานดูแลยังไม่เพียงพออะไรนะทำเรืองนี้ก็เคยอยากให้ไปทุกข์กับมันก็แลว้วกันถ้าทุกข์ก็เป็นตัณหาถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นตัณหาคุณสุภัชชาครับจะทำอย่างไรให้มีสติและจัดการกับความรู้สึกที่สูญเสียให้ได้เราดีขึ้นค่ะกับการสูญเสียคนที่รักครับก็พยายามเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธ หับริกรรมพูดโธตั้งแต่เริมตาขึ้นมาเลยเวลาที่เราไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ต้องไปพูดกับใครคุยกับใครอยู่คนเดียวตอนที่เราตื่นขึ้นมาเตรียมตัวอาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรทานองนี้ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าอย่าคิดใช้สติใช้พุโทโธคอหยุดความคิดถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราจะมีกําลังที่จะที่จะหยุดความคิดต่างๆได้เวลาสูญรู้สึกสูญเสีย เสีย อ, อกเสียใจเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันได้คุณเปตองครับการไหว้เทวดานับว่าเป็นเทวนานุสติได้ไหมครับแล้วถ้ามีการจุดทูกเทียนผิดไหมครับก็ถ้าเทวดาถ้าเรานับถือเขาเราอยากจะไาวเขาก็ได้เหมือนเราไหว้คนที่เราเคารพนับถืออันนี้ก็ก็ไม่ผิดตรงไหนนะ คืบูชาบุคคลที่สมคก o ต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เป็นเท ว, วตาลุสติได้ไหมครับอาจารย์เราไม่เคยเจริญเทวานุนสติแลวเทวานุนสติก็ต้องท่องเทวาเทวาเทวาไปเรื่อย ๆ, อๆแทนพุทโธ น, นั่นเองแค่เป็นแต่ว่ายอย่างว่าครั้งเดียวจุดทบูเฉีองเดียวนี้มัน ก, มนก็มันก็มีสติได้ปั๊บเดีย ว, วนั่นเอง เราอยากให้มีสติอย่างตอนนี้เราก็ต้องท่องเทวานุสติเทวาเทวาไปทั้งวันนะแทนพุโทโธไปเท่านั้นเองคุณพลอยครับหนูอยากถามว่าเวลาเอาเงินใส่บาสนี่บาบไหมครับไม่บาบหรอกเป็นการทำบุญเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกกฎระเบียบของพระท่านั้นเองกฎระเบียบของพระพระท่านแม้ท่านไม่ให้รับกรรมือไม่ให้รับกับภาชนะที่ท่านท่านถืออยู่เช่นฟ้าบาสนันทางเรานี้ แต่คนคนที่ทําบุญส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎระเบียบของพระแล้วก็อยากจะมอบให้กับมือเพราะว่าถ้าทําตามกฎระเบียบต้องให้กับลูกศิษย์ก็เราคิดว่าไม่ได้ให้กับพระเลยถือว่าเรากลัวว่าไม่ได้ทําบุญกับพระท่านเองทั้งนี้ <Okay. S 1> บาทีพระก็อนุโลมเ อ, อ้าอยากจะใส่บาตรก็ใส่ไปอยากจะให้กับมือก็รับไปหลวงพว่อคูณนั่นก็รับแต่ท่านรับเสร็จแนละ้วท่านก็ฝากไว้กับลูกศิษย์ต่อไปที ท่านก็ไม่ไดเก็บมาท่านก็ทำตามระเบียบเพียงแต่ช่วงที่รับท่านก็อาจจะยกกดข้อนี้ไปนิดหน่อยตามตามตามภาะแสะของของความรู้สึกของคนทําบุญคนทําบุญอยากได้รับกับมือรับกับมือก็ลับไปแลเดี๋ยวท่านกาไปทําตามพระวินยัยก็คือให้ลูกศิษย์ลูกหาเก็บไว้ต่อไปไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้พกไว้ในยา่าไม่ได้เอาไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเอง นี่คือสิ่งที่ไม่ทำการให้พระธทำไม่ให้พกเงินพกทองไว้กับตัวแล้วก็ไปซื้อจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกับด้วยด้วยตนเองให้เราเหงินที่ได้มานี้ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้และเวลาต้องการอะไรก็บอกคนที่เราฝากมันนี้ว่าช่วยไปซื้อของนั่นสองนี้มาให้หน่อยอันนี้คือกฎระเบียบของพระเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองคุณเปตองครับ ทำพิธีถวายข้าวพระพุทธควรเลิกทําไปเลยไหมครับถ้าพระพุทธจะกินได้หรือเปล่าทำอะไรก็มาใช้ปัญญาบ้างสิใช้ความคิดบ้างสิใช่ไหมเราอยากจะให้พระพุทธกินอะไรลนะ่ะพระพุทธกินองไรไม่ได้นะ แ, แม้แต่พระพุทธรูปนี้พระเจ้าก็บอกไม่ต้องมีก็ได้ี่ให้เคยแต่เราเลิกถึงพุทโธนี่ก็พอแล้วครับคิดถึงพุทโธแทนได้ไหมลนะ่ะ เวลาอยากจะกราบพระพุทธเจ้าอยากจะอะไรก็นึกพุทโธพุทโธไปเท่านี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเราจะได้สติถวายข้าวให้กับพระพุทธรูปไม่ได้ไเลยเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเสียเวลาไปเปล่าๆคุณมาริสาครับเห็นภาพเหตุการณ์ความหายนะสูญเสียจากสงครามเป็นวิกฤตของชีวิตจนยากที่จะรับมือกับปัญหาได้ พระอาจารย์พอจะแนะนําแนวทางการรักษาจิตใจให้มีกําลังใจที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้ไหมเจ้าค่ะก็ไมนไม่พ้นสัจธรรมความจริงที่เกิดแก่เจ็บตายก็ยังเหมือนเดิมอยู่มีสมงครามก็ไม่มีสมงครามมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมดูที่ตรงนี้เสียดูที่ความจริงไม่เหนจะต้องไปตื่นเต้นตกใจกับสงครามครับโรคภัยไข้เจ็บรบาดอะไรต่างๆมันก็อยู่ในกรอบของความเกิดแก่เจ็บตายนี้เท่านั้ น, นเหมือนกันเแต่เราไม่เคยคิดกันไนดะ้ คุณนัทวดีครับมีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงบางครั้งก็จําลูกได้บางครั้งก็จำไม่ได้ฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งเวลาลูกใส่บาดก็จะพูดว่าการทําบุญ น, นี้เหมือนกับแม่ทําด้วยตนเองแล้วก็จะกรวดน้ําแล้วมาเล่าให้แม่ฟังว่าใส่บาดด้วยอะไรบ้างอยากรู้ว่าแม่จะได้บุญด้วยไหมคะและเวลาทําบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดก็จะโอนผ่านมือถือเราให้แม่เป็นผู้กดส่งแต่เป็นเงินในบัญชีลูกอยากรู้ว่าแม่จะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกถ้าเป็นเงินของคนอื่น บุญจะเกิดก็ตามมาหนึ่งเป็นบุญเป็นเงินเป็นของของเราสองเราต้องเป็นคนคิดสั่นอาจจนได้จัดเสียสละเงินทองก็ได้ให้กับใครก็ตามแล้วก็เป็นผู้กระทาเองโดยโดยอาจจะผ่านคนอื่นได้เช่นเวลาถ้าไม่สามารถมาวาดได้ก็ฝากคนอื่นมาก็ได้อย่างนี้แต่ต้องเป็นของของตนเองและก็ต้องเป็นความดำริของตนเองถึงจะได้บุญ เพราะฉะนั้นพระอาจารย์สอนให้รีบทำบุญซส่ตั้งแต่ตอนที่เรายังทำได้อย่าประมาทอย่ามถึงเวลาที่ทำไม่ได้แล้วก็จะจะจะเสียใจนั้นบอกว่าให้เข้าว่าตอนที่ตอนที่เราเดินเข้าอย่าให้เข้าแบกเอาเข้าวิญญาณดังหูดับไปหมดแล้วใช่ไหมครับตอนแบกเข้าไปคแบบนี้เลย ให้เวลาสวดบังคัเราสวดเองอย่าไปรอให้ผ้ามาสวดให้เราครับคุณธิติยาบอกว่าลูกชายหกขวบฝากการเรียนถามพระอาจารย์ครับต้นไม้ที่ฆ่าและกินแมลงบาบไหมครับมีด้วยต้นไม้ที่ฆ่ากินแมลงไม่เคยได้ยินมีมันมีต้นไม้ที่มันเวลาแมลงบินผ่านแล้วมันงับกินเนี่ยครับพระอาจารย์มันไม่มีมันไม่มีดวงวิญญาณ มันไม่บาปมันเป็ น, ปนหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไม่ทําอะไรก็ไม่บาปถ่าคนก็ไม่บาปหุ่นยนต์อ <c oughs> รถยนต์วิ่งไปแล้วมันไปชนคนตายเช่นรถจอดไว้เฉยๆแล้วคนขับลืมใส่เบรกไว้แล้วมันไปไหลไปชนคนตายรนยนต์ก็ไม่บาปรนยนต์ไม่มีวิญญาณมันไม่มีเจตนาต้องมีเจตนามีความตั้งใจถึงจะบาป คุณเปตองครับ3าสองข้อครับข้อที่หนึ่งทำไมการทำอนาปานาสติสามารถเป็นไปได้ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานครับถ้าสมถะก็คือเราใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเฝ้าดูเฉยๆอันนี้ก็จะทำให้ใจเราหยุดคิดแล้วใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้อันนี้เราทำแบบสมถะถ้าทำแบบวิปัสสนาก็พิจารณาลมหายใจ ว่าถ้าเราหายใจเข้าแล้วมาหายใจออกเราก็ตายร่างกายก็ตายอันนี้พิจารณาเห็นว่ารางกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจะต้องถึงแก่ความตายวันใดวันหนึ่งเมื่อเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว่าวิวิปัสสนาเจริญปัญญาให้เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทําได้ทั้งสองอย่างกรรมฐานบางอย่างเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนา สมาถะบางอย่างเป็นแต่สมถะยอย่างเดียวเช่นพวกพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวานุสตินี้เป็นเป็นอย่างเดียวแต่ถ้ามองนานุสตินี้เป็นทั้งสองอยา่างนึกถึงความตายก็ทําให้จิตสงบได้นืกนึกถึงความตายแล้วจะเตือนให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยมเป็นอนิจจทุกขังหน้าตาอันนี้ก็เป็นเป็นทั้งสองอยา่างอาการสาดเฉาๆนี่ก็เป็นได้ทั้งสองอยา่าง เราเที่ยวเที่ยวในร่างกายด้วยการอวัยวะต่างๆผมขนเล็ันหนังเนื้อมันก็ทําให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วถ้าเราพิจารณาเห็นภาพต่างๆของอวัยวะต่างๆมันก็จะทำาอะไรเกิดปัญญาเห็นสุภาษเห็นความไม่สวยงามของร่างกายดังนั้นกรรมฐานบางอย่างก็เป็นทั้งสมะถะก็เป็นทั้งวิปัสนาบบางอย่างก็เป็นเพียงแต่เป็นแต่สมะถะอย่างเดียว ข้อที่สองครับหลังจากที่ไม่มีลมหายใจอยู่แล้วควรทำอะไรต่อครับก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าไม่มีลมหายใจแล้วนี่รู้ต่อไปไม่ต้องทำอะไรอย่าไปคิดปรุงแตง่ให้รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปคุณครองสติครับถูกผู้ใหญ่โยนงานมาให้รับผิดชอบทางที่เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงเราควรฝึกหรือวางจิตวางใจอย่างไรไม่ให้โกรธครับ ก็ต้องถือว่าเราเป็นลูกน้องเขาอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายเขาเวลาเราเป็นลูกน้องเขาก็จะโยนอะไรให้มาให้เราเราก็ต้องรับไปทําไปทำตัวเป็นเจ๋าไปคุณมาริสาครับอยากเรียนถามพระอาจารย์เรื่องบาปบุญคุณโทษที่มีความสัมพันธ์กับสุขทุกข์กที่อยู่ในจิตใจไหมเจ้าคะมีแต่ทำบุญก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ทำบาปกาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันเชื่อมกันเหตุและผลบาปบุญเป็นเหตุทุกข์ทุกทางใจเป็นผลที่เกิดขึ้นอลองไปคํานมยของใครก็มาดูเถอแล้วจิตใจจะจะรู้สึกสุขยุติทุกข์มันอาจจะสุขตอนที่ได้เงินมาแล้วก็ต้องมาทุกข์ว่าเดี๋ยวเกิดถูกจับได้จะทางไงพวกจนพวกลาที่ไปปล้นไนไปปล้นทองตามร้านทองนี่สุขยุตทุกข์กว่าที่ต้องหนีตนํารวจ คุณพัชรวัตรครับวิญญาณในขันห้ามีการสูญสลายไปหรือไม่ครับไม่สูญสลายมันอยู่กับใจนามขันทั้งสี่มากับใจเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสลับได้นามขันก็รับรูปเสียงกินรสต่างๆมันไม่ได้รับรูปเสียงกินรสอย่างเดียวเดี๋ยวเห็นดี๋ยวเห็นรูปคนนี้เดี๋ยวเห็นรูปคนนั้นมันก็เปลี่ยนไปต้องเรียกว่าเป็นเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เท็จ สังเวทนาก็เปลี่ยนไปตามรูปที่มาสัมผัสไปเจอรูปที่ดีก็สุขเวทนาก็เกิดขึ้นไปเจอรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกเวทนาเกิดขึ้นนามอาคารมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทาลายของมันตามที่มันไปสัมผัสรอบรูปกับเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่ความคิดของมันมันก็เปลี่ยนไปบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีคิดดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาคิดไม่ดีก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมานี่คือการทํางานของสังขาร มันไม่เที่ยงแต่มันไม่ได้สูญหายคําว่าไม่เที่ยงนี่มันมีหลายความหมายความหมายในที่นี้ก็คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่สูญหายผู้บรรลุใจก็ไม่สูญหายผู้ที่บรรลุทำผู้ที่บรรลุทําไปแล้วนี่มีความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาในหัวบ้างไหมครับอาจารย์ครับไม่มีหรอกว่าถูกกาจัดด้วยปัญญาไปหมดแด้วยสติปัญญา เมื่อ่าจะคิดจะผลขึ้นมาก็หยุดคิดทันทีนันไดเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นอันตรายต่อจิตใจรู้เป็นเหมือนขโมยเพราะขโมยโผล่ขึ้นมาก็ตบหัวมันเลยหยุดมันเลยคุณกะหนกครับอัตสมิมาณนะกับส ก, กายทัทิฏฐิต่างกันอย่างไรคะอันนี้ต้องขอไปตอบไม่ได้ว่าเราไม่ได้ศึกษาตาม ทางทฤษฎีนะอันนี้ต้องเราไปเปิด Google ด, ดูนะครับคุณปรพันธ์ครับเวลานอนหลับสนิทจะไม่รู้สึกตัวไม่มีการฝันร้ายหรือฝันดีช่วงนั้นถือเป็นอุเบกขาไหมครับถือว่าอยู่ในภพมนุษย์ภูมิมนุษย์ไหมครับเพราะนั้นก็อาจจะถ้าเหนื่อยจิตเนื่ยมันก็ไม่ฝันได้มันดนสังขารมันทำงานมาทั้งวันทั้งคืนบ ท, นทีมันเหนื่อยมันก็ไม่ฝันก็มี ถ้ า, าไม่ฝันมาเป็นประจำเป็นนิสัยนี้ก็แสดงว่าจิตมีมีสมาธิเราก็ต้องรู้เพราะเราเวลาเราไม่ได้นอนหลับเราเข้าสมาธิได้หรือเปล่าเนี่เราก็จะรู้ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้เวลาที่เราไม่ฝันก็แสดงว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องจะให้ฝันหรือว่ามันตอนนั้นมันเหนื่อยมันก็เลยไม่ฝันก็ได้คุณตวงฤทธ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์อธิบายคําว่าวิมุตติครับ วิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรียกว่าวิมุตติคุณธนสัรครับช่วงนี้ปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นเรื่องความตายแว็บเข้ามาในหัวเรื่อยๆอย่างเช่นคิดว่าคนในครอบครัวตายจะทํำยังไงหมายความว่ายังไงครับขอแนวทางปฏิบัติต่อด้วยครับก็เป็นการเกิดของปัญญาไยมันในการเตือนสติ ว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก็มองในแ ง, ง่ทางธรรมก็ถือว่าดีเหมือนเทพบทูมาเตือนเราละมันไม่ว่าจะเจ้าไปคนตายพอเห็นแล้วก็กลับมาคิดอยู่เรื่อยเืยขึ้นเดี๋ยวต้องตายเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องตายคนนี้ก็ต้องตายอันนี้แสดงว่าปัญญาเริ่มเดินนะถ้าคิดถึงความตายนี่เรียกว่าปัญญา อาจารย์ครับแต่บางคนคิดถึงความตายแล้วกลายเป็นว่าเครียดไปเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาแสดงว่าจิตยังไม่มีสมาธิพอไม่มีอเบกขาพอก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนเดี๋ยวคิดหน้า๋ย่จะไปฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นตายก็ได้ดต่นั้นก็ต้องคิดด้วยความเมตตาแทนเมตตาตัวเราเมตตาคนอื่นไว้ก่อนอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปทําร้ายตัวเรา ไม่หยุดชิดใช้เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแทนพอคิดถึงความตายแล้วใจเครียดก็พุโทโธพุทโธหยุดไปเหมือนกินยาผิดผิดประเภทตอนนั้นร่างกายไม่รับไม่สามารถรับยานในตอนนั้นได้คุณมีนาครับสมัยเริ่มทํางานมีครั้งหนึ่งรู้สึกเบื่อนหน่ายกับการต้องไปตปัดผมจนน้าตาไหลเหมือนเบื่อนหน่ายร่างกายว่าเป็นภาระ จนเพื่อนมองว่าเราแปลกที่เป็นแบบนี้ผิดปกติไหมคะแต่ตอนนี้ไม่มีอาการแบบนั้นแล้วนะครับถ้าเราทุกข์ก็ผิดถ้าไม่ทุกก็ไม่ผิดคุณอภิชาติครับคำว่าวิญญาณในขัน5มีความสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาเช่นจักษุวิญญาณเป็นต้นดังนั้นวิญญาณในขันห้สัมพันธ์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือไม่ครับถ้าไม่เพราะเหตุใดครับ ก็มันต่อเนื่องกันไงพอวิญญาณรับรูปเสียงกินรสเข้ามาถ้าสัญญาณไปวิเคราะห์ดูว่าเป็นรูปเสียงกินรสที่ดีมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงแต่งว่าอยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมายมันทํางานเป็นเป็นทำงานเป็นทีมอาศัยสัญญาณวิญญาณเป็นผู้ไปรับรูปเสียงกินรสเข้ามาก่อนเช่นตอนเนี้ยเห็นภาพเราสองคนอยู่ในจอเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณแล้ว สัญญาเข้ามาวิเคราะห์เป็นรูปขายรูปอาจารย์รูปคุณหมอพอรู้ว่าเป็นปอาจารย์เป็นคุณหมอก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอนนี้ก็เคยเคยได้รับความสุขจากการได้เห็นได้ฟังก็เลยเกิดสังขารอย่างก็ต้องดูต่อไปอย่าเพิ่งปิดมันทำงานพร้อมันไปเลยทีเดียวถ้าไปเจอรูปถ้าไปเจอ รูปคุณหมาก็แล้วแล้วเคยมีประสบการณ์ไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วเบื่อพอาใจที่เป็ดเปิดเครื่องเลยเปลี่ยนช่องดีกว่าแล้วแต่คนคนบางคนเห็นแล้วก็วชอบบางคนเห็นก็ไม่ชอบก็มีคนไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องไปคนชอบก็ดูต่อไปนี้คือหน้าที่ของสังขารสั่งให้ร่างกายอย่าเพึ่งไปขยับนะ เ, เก็บพายมือไว้ก่อน แต่ถ้าไม่ชอบก็สั่งให้ร่างกายเปลี่ยนช่องไงกดช่องเปลี่ยนช่องไปเลยเรื่องการทํางานของขานมันมั น, ม, นมันเชื่อมต่อกันหมดทั้งทางรูปประขันก็คือตาหูจ ม, มูกเนื้อง่ายตาหูจ ม, มูกเน้องายเป็นเหมือนกล้องเป็นเหมือนไมโครโฟนที่ไปรับรูปรับเสียงเข้ามาแล้วส่งมาให้วิญญาณมนุญยาณก็ส่งส่งไปให้สัญญาสัญญาก็วิเคราะห์แล้วก็ดีชั่วก็ดีอยู่ที่สัญญาเป็ผู้ตัดสินเป็นเหมือนกรรมการ อ่ารูปนี้ดีอ่าพอรูปนี้ดีเวทนาสุขก็เกิดขึ้นพอเกิดเสร็เวทนาสังขารก็สัง่งอ้าวอย่งนี้ก็เอาเสิของดีต้องเก็บมาไว้ถ้าใครของไม่ดีสังขารก็สัง่งเอาทิ้งไปอย่าอยากเก็บมาไว้อันนี้ก็เร่องมันทํางานพร้อมกันนังห้าหมันทําแบบนี้ครับคิดวิคนโธเจ้าคิดวิเคราะห์เรื่องนี้ได้นี่พระปัญญาท่านสูงมากจริงคนระับอาจารย์ ใ่ลกรคิดได้บ้างไม่มีนะักวิทยาศาสตร์ทัหายในโลกนี้ ไ, นะไม่มีการคิดเลยคิดไม่เป็นคุณอ้อนครับการเรียนถามในสมัยพุทธกาลผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงว่าในอดีตชาติท่านเคยบำเพ็ญทานศีหนภาวนาและปล่อยวางทัดขันได้มาก่อนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีศีลมีสมาธิเต็มงอยอยู่แล้วพอฟังธรรมปุ๊บก็ได้ปัญญา เร็่น้อยอย่พระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมได้เลยแต่ถ้าไม่มีสีไม่มีสมาธิใจฟังแล้วใจก็ลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนฟังก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็บรรลุทําไม่ได้เหมือนเรียนหนังสืออ่ยคุณหมอเรียนหนังสือ ค, อคนทําไมบางคนได้เกรดดีบางคนได้เกรดไม่ดีเพราะว่าเวลาฟังไม่มีสติใจลอยใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยจำไม่ได้ว่าฟังอะไรบ้าง พอถึงเวลาสอบก็ตอบคำถามไม่ได้แต่ถ้ามีสติฟั ง, ฟงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบรู้เรื่องหมดไลยก็จะจำได้เพราะจำได้เวลาสอบ ก, ก็สอบผ่านได้อย่างสบายคุณอัญมณนเปรี้ยวครับคนที่ร่างกายเจ็บป่วยทุกทรมานหรือไม่สมประกอบเกิดจากกรรมใดครับ มันก็มีหลายเหตุซะอาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์คือร่างกายของพ่อแม่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเราพ่อแม่มีโรคอะไรประจับตัวที่ติดบางทีก็ส่งมาให้ทางลูกได้อันนี้เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ทางร่างกายส่วนหเหตุอีกอันมันก็อาจจะเกิดจากการทางจิตใจเป็นจิตใจที่เคยไปทําบาปมาเคยไปทําให้ผู้อื่เขาเจ็บเขาเป็นอะไรมันก็จะมีผลต่อการเป็นของเราต่อไปได้ นั่นก็มีหลายสายเหตุด้วยกันไม่ใช่เฉพาะจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของบาปอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องอื่นประกอบด้วยอาหารการกินที่เรากินก็อา จ, จะมีส่วนใช่ไหยที่จะทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้คุณบุตรสบาครับการที่แม่เราซักผ้าให้ลูกลูกจะบาปไหมครับก็สร้างมาตั้งแต่เกิดมันจะบาปตรงไหนแล้วใช่ไหม บาปที่ลูกแหละลูกที่ไม่ไม่ไม่เห็นใจแม่เลยใช้แม่อย่างกับเป็นทาสอย่างเงี้ยบาปอยู่ที่ลูกไม่ใช่บาปอยู่ที่แม่คือมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่มีความเมตตาแม่เลยไม่มิไม่รักแม่ไม่สงสารแม่เลยโหดร้ายทารุณเจ้าแต่ความสุขความสบายของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่แม่ไม่บาปกพรแม่ได้บุญแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดนี่ได้บุญมาตลอดครับคุณโนเมนครับ ขอความเมตตาอธิบายเรื่องอุปทานสีและขอสอบถามว่าทั้งละอุปทานสีได้แล้ววิชาก็จะหมดไปด้วยหรือไม่ครับท่าังบอกมาเก่อนว่าอุปทานสีมีอะไรบ้างว่าเราไม่รู้ครับคุณอภ า, าพรครับถ้าร่างกายเรามีความเจ็บป่วยมากเราจะวางใจไม่คิดมากจากความเจ็บป่วยจากความผัดผ่าจากลูกอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ต้องหยุดคิดงไง ฝึกสติฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราคิดมากเราก็หยุดความคิดเสียพอไม่มีความคิดควาความทุกข์ใจก็ไม่มีเกิดขึ้นในใจเราคุณจรครับการนั่งสมาธิสามารถแยกกายกับใจได้ไหมครับมันแยกของมันเองถ้าใจรวมเป็นสมาธิมันมันก็นมามะขันก็แยกจากนุปมะขันไม่เชื่วข่าวไม่รับรู้กันไ ม, ไม่ไม่ติดต่อกัน เหมือนปิดคนนึงปิดโทรศัพท์มือถืออีกคนนึงก็ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องนั้นได้จะติดต่อได้เท่้เมื่อเปิดโทรศัพท์มือถืออีกที่นึงคุณอัชาราครับถ้าเราไม่สบายหนักแต่เราสั่งเสียลูกหลานไว้ว่าอย่าทรมานตัวเราหรือตัวพวกเขาให้ถอดสายออกซิเจนออกได้เลยแบบนี้เราหรือลูกหลานทำบาปหรือไม่เจ้าค้าเอาให้หมอถอดให้นะครับ เราไม่บาปเราเป็นจากการยุติการรักษาเราไม่ได้ฆ่าร่างกายเราต้องการให้ร่างกายมันดูแลไปตามลาพังของมันถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปเราไม่ต้องการที่จะม า, มาสนับสนุนม า, ม า, ม, ามายัง้งมายื้อให้มันอยู่ต่อไปด้วยการใช้เครื่องหายใจเมื่อมันหายใจไม่ได้เองก็ปล่อยให้มันอยู่หายใจไปนด้เองอย่าไปใช้เครื่องหายใจ ไม่บาปแต่ถ้าเราหยุดถ้าเราถ้าถ้าเรมาปิดจมูกนี่ยบาปอถ้าเรามาอุดจมูกเพื่อว่าให้เราหายใจเนี่ยบาปให้เราตายให้เราหยุดหายใจเนี่ยบาปขออภัยด้วยครับอาจารย์ครั บ, รรบก็เคยเจอคนที่แบบมีความทุกข์กับญาติที่เขากําลังจะสูญเสียอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับแล้วเขาก็คิดไม่ได้สัทีว่าจะ คือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ร่วมทุกข์ด้วยแล้วเขาก็รู้สึกผิดอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะแก้ไขความคิดนี้อย่างไรครับถือเหตุผนถูกแล้วตัวใครตัวมันนี่ยเราไปทุกข์แทนเ้าได้ที่ไหนนะ่ะเวลาเขาสุขบางทีเราก็ทุกข์อ่าความสุขของเขาไม่สามารถแปลงมาให้ให้ความทุกข์ของเราหายไปได้มันเป็นเรื่องอาปาเปนเรื่องของปัจจัยบุคคลตัวใครตัวมันเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องทุกข์ก็ให้เขาทุกข์ไป เราช่วยเหลือบรรเทาครับทุกให้เขาได้อย่างไรก็ทําไปเท่านั้นเองถ้าเขาหิวไม่มีทุกพรหิวข้าวไม่มีข้าวกินก็หาข้าวมาให้เขากินทุกพรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายารักษาลงมารักษาแต่ถ้ามันอยู่ในขีดที่สุดวิสัยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องวางใจทำํำทำใจเมนูเบค้าไปเท่านั้นเองครับคุณนัทวไลัยพันธ์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับ คำกล่าวที่ว่ายากแท้กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พอเกิดมาแล้วก็เร่งปฏิบัติธรรมเพื่อเอานิพพานจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกข้อความนี้เหมือนจะขัดกันขอความเห็นพระอาจารย์ครับมันไม่ขัดกันหรอกถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีคำสอนอพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตามคำสอนใ ห, ให้เร่งรีบปฏิบัติเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไหร่ การที่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่บันยากก็พรอะอยู่ที่บาปบาบุญที่เราทำเนี่ยถ้าเราทําบาปทําบุญไม่บากเวลาเราตายจากภพนี้ไปเราต้องเดินทางผ่านสวรรค์หรือผ่านนรกผ่านอบายไปมากไ ป, ไปยาวกว่าถ้าเราทําน้อยกว่าถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราต้องเดินทางถ้าทำบุญก็ต้องผ่านสวรรค์ ถ้าทำบาปก็ต้องไปผ่านอบายนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทําบุญมากทําบาปมากหรือน้อยถ้าทําน้อยมันก็ผ่านผ่านไปแค่สั้นๆมันก็กลับมาเกิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าทํามากมันก็มันก็นานกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปทางสวรรค์ก็ไม่เป็นไรนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะมันมีความสุขแต่ถ้าไปประทังบาปนี่มันทรมานยิ่งนานยิ่งทรมานมากขึ้นไปเท่านั้นกว่าจะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อมันเป็นมนุษย์ก็ไม่เช่าจะได้เกิดีก็ต้องรอคิวเหมือนกับกระสอบเอ็นท่านเนี่ยก็รับได้แค่กี่คนนะในมหาอะไรแล้ถ้ามีคนสมัครเป็นมากกว่าจํานวนคนที่ไม่ได้รับก็ต้องรอรอบหน้าทกสอบรอบหน้าต่อไปนอกคิวเข้าคิวไปช่วงนั้นก็อยู่เป็นวิญญาณใเป็มผอมๆก่อนวิญญาณของมนุษย์แต่ไม่มีร่างกายของมนุษย์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แบบกางกลาง ไม่ได้สุขจากไม่ได้สุขจากบุญไม่ได้ทุกจากบาปแต่แต่ทุกจากการที่อยากจะเกิดอยากจะไปเสีรูปเสียงสิริรสต่างๆคุณศิวกาลครับถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายแรงและปล่อยตัวไม่รักษาถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับไม่หรอกก็เหมือนไม่กินข้าวแล้วนี่ไม่กินข้าวก็ไม่ได้ฆ่าตัวตาย เบื่อข้าวไม่อยากกินข้าวแล้วก็ไม่กินข้าวเบื่อน้ำเราไม่อยากจะดื่ม น, น้าแล้วก็ไม่ดื่ม น, น้ำอะไรั่นเองครับโลกไกเป็นโลกที่เกี่ยนรักษาก็ไม่รักษาก็ะทำ น, นั้นเองคุณวิสาครับการที่จะไปเกิดเป็นภพภูมิไหนขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายหรือขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราทําคะถ้าไปเกิดในสวรรค์อายุยืนยาวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ทันช่วงอายุของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าครับ งานอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำมามากมาน้อยเราต้องไปรับผลบุญผลบาปมากน้อยก่อนจะกลับมาเกิดอีกทีอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหรืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ก็ต้องรอศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไปซึ่งยังไม่รู้กี่พั บ, ก, ก, บกี่กลับกี่การก็ไม่รู้อาจจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้กี่กี่ร้อยรอบกี่พันรอบก็ได้ อย่าทพระเจ้าทรงตัดว่าน่าเสียดายที่พระอาจารย์สองลูปที่ท่านจะปรารถนาที่จะไปแสดงธรรมให้ฟังพระทราบแต่ว่าองค์หนึ่งเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้อีกองตายไปเมื่อเจ็วันก่อนและทั้งสององค์นี้ท่านบำเพ็ไญได้ฌานได้รูปฌานและรูปประชานพอท่านตายไปดวงวิญญาณของท่านก็จะไปอยู่สวรรค์ช่านพรหมเป็นเวลายาวนานพอกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งศานนาของพระพุทธเจ้าก็หมดไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไร น, น่าเสียดายคุณสรุตครับนั่งสมาธิแบบไม่พิงและปวดหลังมากลามไปถึงชีวิตประจำวันจนเกือบต้องกินยาเข้าสมาธิไม่ได้เลยเห็นแต่เวทนาแต่พอนั่งพิงสมาธิเข้าได้เห็นกายใจปีหน้ามีแผนที่จะบวชกลัวว่าที่วัดจะไม่ให้นั่งสมาธิแบบนั่งพิงเลยพยายามฝึกฝืนนั่งแบบไม่พิง แต่รู้สึกว่าไม่ไหวไม่ก้าวหน้าขอคําชี้แนะครับก็ไม่ร <elekt ron a> <replicate> ู้จะชี้แนะยังไงก็ก็คุณก็ต้องทําไปตามเรื่องของคุณคุณนั่งแบบไหนน่งก็นั่งไปที่วัดเขาก็ไม่ได้บังคับให้เรานั่งเฉพาะนั่งเฉพาะตอนที่เวลาไปไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเวลายาวนานอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึ่งก็เราเราปรึกษากับอาจารย์ก็ได้ที่เราไปบวชว่าหลังไม่ดีนั่งร้อนเจ็บ เรามีอะไรพิมพ์ได้ไหมขอนั่งพิ์เสาได้ไหมอะไรเขาว่าไปพูดกันได้คุณมาริสาครับคนในยุคปัจจุบันนี้มีความทุกข์ความเครียดวิตกกังวลภายในใจมากทําให้จิตใจมีความแข็งกระด้างขาดเมตตาขอคำแนะนํนาพระอาจารย์ในเรื่องระมัดระวังในเรื่องที่จําให้จิตใจตกต่ําด้วยเจ้าค่ะข้อพิกิเลีตัญหาเนี่ยตัวที่สร้างความวิตกกังวลต่างๆอยากได้นู่นอยากได้นี่ พอไม่ได้ก็ ก, ก็เครียดขึ้นมายังต้องลอดต้องลอดความอยากงดโดยการปฏิบัติทานศีลภาวนาคุณอดีรเรศครับทำอย่างไรจะลืมความเจ็บช้ำใจจากการกระทำของผู้อื่นครับก็อย่าไปคิดถึงมันเลยเวลาคิดถึงมันก็หยุดมันพออย่าคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป ทุกครั้งนี่มันจะคิดอะไ ก, ก็พูดโทอพูดทไปต่อไปมันก็ไม่คิดเองคุณปูเป้ครับพระอาจารย์พอร่างกายหนูพังหนูยอมรับสภาพจริงแต่เคยมีความรู้สึกเหมือนโดนขังเลยไม่กลัวตายเจ้าขาโชคดีอายุยังน้อยเลยยังใช้ร่างกายได้ในอวัยวะที่เหลือโชคดีมีหูหนึ่งข้างได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หนูแค่คิดแค่รอคิวเจ้าขาไม่ได้มีความอยากอะไรเจ้าคค่ะขาก็ดี ก็ไม่มีความอยากก็แสดงว่าไม่มีความถูกข์กับอะไรคุณนัทศักครับถามพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าเมื่อช่วงอยู่บ้านมีเวลาว่างเป็นช่วงๆโดยช่วงว่างนี้เรานั่งสมาธิถือว่านั่งบ่อยกว่าช่วงวันอื่นๆโดยการนั่งบ่อยๆครั้งในวันที่ว่างตรงนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับเพอนั่งบ่อยๆในวันที่ว่างครับอ๋อไม่เป็นกิเลสเหรอการปฏิบัติธรรมยิ่งมากยิ่งดี เนรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมรรคเป็นวิธีสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นกิเลสความอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่ไม่เป็นกิเลสเป็นมรรคเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหายทั้งปวงคุณหนูนาครับถ้าเราทุกข์แล้วมีอะไรบอกว่าทุกข์เพราะขันห้าทั้งที่เราไม่รู้จักขันห้าอันนี้เรียกว่าจิตรู้ใช่ไหมคะับถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่ใช่จิตรู้หร ก็ไม่รู้เ่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่เราไม่เข้าใจความหมายเท่านั้นเองเก็ต้องไปศึกษาทีงถ้าเราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นยังไงเราก็ไปศึกษาต่อหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราจดจํามาจากการที่เราเคยได้ยินมาก่อนก็ได้และมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้อยูอ่ว่าขันห้าเป็นยังไงถ้าเราจะได้เราจะได้ กำจากความทุกข์ที่เกิดจากคันห้าได้คุณเหน่งครับใจที่เป็นอุเบกขาเหมือนหรือต่างกับเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ครับคละอย่างกันเวทนาก็คือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาก็คือการวางเฉยเฉยเฉไม่ไม่รัดไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคุณเอ็มใจครับ นั่งสมาธิเดินจงกรมต่อเนื่องส่งผลกับการทำงานของสมองด้วยไหมคะหมายความว่าเมื่อเข้าถึงวัยชาราสมองจะมีความจำที่ดีไม่หลงลืมทนองนี้ครับก็ส่วนใหญ่คุูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชตบนี้ถาอายุเก้าสิบร้อยปีท่านก็ยังมีสติมีความจำครบบริบูรณ์ท่านก็ไม่ได้เป็นคนหลงลืมเรือเป็นคนที่ไม่ไม่สามารถทาอะไร ได้ด้วยตนเองเท่านก็นสามารถดูแลร่างกายของท่านได้เป็นปกติคุณพักครับระหว่างไปฟังธรรมะหน้ากุฏิกับฟังออนไลน์อันไหนได้บุญกว่ากันครับลองฟังดูสิล อ, ล, อลองทํำดูอันนั้นได้ความสงบมากกว่ากันอันนั้นเขาบุญมากกว่ากันบุญอยู่ที่ความสงบความสงบของใจนี่เป็นบุญจากการปฏิบัติ คุณใบ ย, ยกครับพระอาจารย์เจ้าคะธาตุขันคือร่างกายถึงเวลาก็คือสู่ดินน้ำลมไฟแต่ธาตุรู้คือลมหายใจเข้าออกเวลาธาตุดับสิ้นลงธาตุรู้ก็จะไปยึดไปติดไปหาที่เกิดใหม่ตามผลที่เราได้กระทําในแต่ละภพชาติลูกเข้าใจถูกหรือมะฮิตเจ้าคะ่ะอ๋อธานรู้ไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกธาตรู้ก็คือรู้ลมหายเป็นผู้รู้ลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ใช่เป็นลมหายใจเข้าออกเวลาร่างกายดับไป ธาตุรู้นี้ก็จะแยกไปเนี่ธาตุรู้นี้ก็คือนามะขันเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อก่อนเนี่ยนามะขันก็จะแยกออกจากรูประขันไปนามะขันนี้ก็อยู่ในธาตุรู้อีกทีนึ่งแล้วเป็นผู้ที่จะไปเกิดต่อไปไปบ๊ไปสวรรค์ไปนระกก็คือใจธาตุรู้นี้เป็นผู้ไปคุณไพบูรณ์ครับ ผมจะตั้งใจให้มากที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มาหลายปีแล้วทําให้โรคซึมเศร้าผมหายไปแปดสิเปอร์เซนผมติดอยู่ที่การฝึกสติและรักษาศีลไม่มั่นคงผมจึงล้มลุกคลานอยู่อย่างนี้ครับก็พยายามตั้งสัจจะไว้ว่าตอนนี้เราจะจะรื่งสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเราก็จะพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ยังไม่ต้องใช้ความคิดเราก็อย่าไปคิดให้คิดอยู่กับพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว พยายามทำอย่างนี้ไปแล้วพอสติมันได้ทำมากขึ้นมันจะมีกําลังขยายไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะสามารถเจริญสติได้ทร้งวันทั้งคืนเันต้องมีจุดเริ่มต้นต้องตั้งสัจจะถ้าไม่มีสัจจะมันก็อย่างนี้น้อมนุ่งคบคันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณพระฉันรู้ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เป็นครั้งแรกเจ้าค่ะ โยมดูแลแม่ป่วยติดเตียงนานสามปีแล้วค่ะโยมไม่ได้คิดเองนะคะบางวันแม่มองเหมือนอาฆาตพยาบาทแม่โยมจะเป็นวันโกนวันพระเจ้าค่ะวันอื่นตามองปกติกาบเบียนถามปัอาจารย์ว่าเป็นเพราะเหตุใดครับไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นบพราะอะไรต้องถามแมาก่กขาดูเลย คุณเปตองครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจหรือเศรษฐีเราจะใช้เงินและทรัพย์สินอย่างไรไม่ให้ยึดติดกับสิ่งของเหล่านั้นครับก็ เ, เก็บไว้ท้าที่เราจำเป็นจะต้องใช้แล้วที่เหลือก็เอาไปแจกให้หมดดูวิวเกตนี่ิวเกตเขาเขเก็บไว้สำหรับที่เขาพอจะใช้พอกินพออยู่แล้วที่เหลือเขาก็มาแจกให้กับมูลนิธิของเขาไปแล้วก็มูลนิธินี้ก็เอาไปทำคุลตามประโยชน์ต่อโลกต่อไปไปช่วยคนยากจน หาแหละนะ่งน้าไปทําอะไรต่างๆตามประเทศยากจนอันนี้แหละคือการทําบุญเพราะเราก็ใช้ไม่หมดอยู่ดีใช่ไหมเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าอยากจะเอาบุญเอาเงินเหล่านี้ไปกั บ, กบเราเราต้องตายให้มันเป็นบุญไปหรือเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงนินเงินต่างประเทศเพราะเราไปถึงต่างประเทศแล้วก็สบายใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาที่แรกเงิน คุณพรพวีรายงานผลครับพระอาจารย์ชอบฟังธรรมะของพระอาจารย์มากค่ะเพราะทําให้เข้าใจหลักในปานปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าและบทสวด ต, ต่างๆเริ่มมองเห็นเป้าหมายในการปฏิบัติแล้วครับขอบคุณธรรมะของพระอาจารย์นะครับาสาว ด, ด้วยสาว ด, ดยินดีด้วยทําให้คนสอนได้มีกําลังใจขึ้นคุณเวรี่ครับกับพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก่อนหนูมีโอกาสนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่เคารพ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรตอนที่นั่งไปแล้วน้ำตาไหลหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้คิดอะไรนะคะตอนนั้นมันสะอื้นรู้สึกเหมือนตื้นตันใจรองให้ครับเปิมเปิมปิติเขาเรียกว่าเป็นความเปิมปิติ <c oughs> คนเราเวลาเจออะไรของที่เรารักเราชอบราเคารพมันก็จะเกิดอาการเปิมปิติเ่็งบางคนชอบดาราพอเห็นดาราป๊ก็ต๊กขึ้นมาน้ำตาไหลออกมา คุณกันโงครับการทําเด็กหลอดแก้วบางครั้งจะมีการทําลายไข่ที่ปฏิสนธิไปแล้วถือว่าบาปไหมครับก็ถ้ามันมีวิญญาณอยู่มันก็บาปถ้า ม, มีวิญญาณเชื่อมต่ออยู่ก็บาปมันเป็นการทํำลายชีวิตแล้วแต่ถ้ายังไม่มีวิญญาณก็ยังไม่ถือว่าบาปคุณแมลี่นี่เขา คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่ารู้สึกแปลกใจแต่ช่างมันพยายามประคองจิตให้โฟกัสที่ลมหายใจสักพักน้ําตาก็ไหลามาอีกสงสัยแต่ก็ยังช่างมันอีกโฟกัสที่หายใจเข้าพุดออกโทรวอกแวกน้อยกว่าที่เคยเป็นลมหายใจก็เบาวกว่าที่เคยแบบนี้เกิดจะจิตปรุงแต่งปรุงแบบไม่คิดอะไรหรือคะไม่ว่าจะเกิดการปรุงแต่งไม่ก็ตามหนูก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแปลกดีแต่ที่แน่ๆรู้สึกดีใจที่ครูบาอาจารย์เมตตาครับ ก็มันก็เกิดจา <ะ S 1> กความคิดนแต่ตอไปออเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบนี้อีกควรทำอย่างไ ร, รครับอาจารย์ก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปไมันจะไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองคุณสง่าครับบอกว่าบวชเป็นพระบ้านแต่ปฏิบัติเหมือนพระป่าได้ไหมครับอาจารย์ได้อยู่ที่ว่า ภาพบ้านก็จะให้เราปฏิบัติเหมืนภาพ ป, ป่าหรือเปล่าเพราะเราเดียวก็เป็นแกะดําไม่อยู่กับเขาแล้วไปไปประพฤติไม่ไม่เหมือนกันมันก็จะอยู่ร่วมกันได้ยากเพราะเราก็เคยเราเป็นภาพ ป, ป่าม า, มาอยู่วัดบ้านอยู่ภาคหนึ่งรู้สึกมันมีการมีความรู้สึกเหลื่อมล้ํากันในการปฏิบัติวัดจ<อ>ังตอนนั้นไปอยู่วัดบ้านที่ไหนนะครับ ที่พัทยาเนี่ตอนที่มาดูแลพ่อไม่สบายออกจากวัดตายก็มาอยู่วัดวันบ้านที่พัทยาเขาก็กินสองมือ้อเขาก็รับกลิน่นนิมนต์อะไรต่างๆเราก็ไม่เอาเร า, าก็กินมื้อเดียวไม่รับกลินนิมนต์บางทีเขาไม่มีพระเขาต้องให้เราไปด้วยเราก็ไม่กินไปนั่งเฉยๆไปนั่งกินน้ําเฉยๆมันก็เลยรู้สึกค่อนข้างยาลําบากมันก็ทําให้คนคน มันปฏิบัติไม่เหมือนกันมันก็หมืความ ร, รู้สึกเหลื่มอมน่ากันครับผมคุณพรพันธ์ครับเห็นความทุกข์ที่เกิดจกากความพัดภาคหรือดูข่าวแล้วเกิดสลดสังเวชเกิดแน่นขึ้นมาที่กลางอกตอนดึกจะตื่นขึ้นมาร้องไห้เหมือนจะขาดใจไม่สามารถควบคุมได้ต้องเดินจงกรมหรือฟังอนัตตลักษณสูจึงจะดีขึ้นจะแก้ไข ย, ยังไงเจ้าค่ะก็ดีคนะรับฟังไปเรื่อยๆฟังไปแล้วเดินจงกรมไปแล้วพยายาม เดินแบบมีสติอย่าปล่อยให้ใจเราคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปรับรู้มามเแล้วเหตุการณ์เหล่านะั้นมันก็จะจางหายไปแล้วใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติคุณไพบูลครับผมจะใช้คนอุบายในการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในการฝึกสติและรักษาศีลโดยเอาเชือกทาห่วงมาผูกที่ประตูเพื่อเป็นเครื่องมือเตือนใจหากยกทงขาวไม่สู้ก็ไปผูกคอตายเลย วิธีนี้มันเสี่ยงไหมครับอาจารย์ขอคําแนะนําครับก็มันก็ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงไม่เสี่ยงก็อยู่ที่เราถ้ามันเสี่ยงก็อย่าไปทํามันใช้วิธีอื่นดีกว่าใช้การตั้งสัจจะดีกว่าตั้งสัจจะว่าต่ อ, อไปนี้พอเราเริ่มเิตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือพุโทโธก่อนเลยอย่างนี้จะดีกว่าแล้วพยายามพุโทโธไปให้มันนานที่สุดเท่าที่จะมันนานได้ ในช่วงที่เราไม่ต้องไปมีปฏิสันฐานเกี่ยับใครไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เกยวับใครช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่เราสามารถจเจริญพุโทโธได้ตลอดเวลาเชนเราอามน้ำลางหนะน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่เราก็ไม่ต้องไปอยู่กับใครเราก็พยายามพุโทโธพุโทโธของเราไปเลยเลยนั้งสัจจะดีว่าคุณคริฟฟินครับ สัญญาและสังขารเมื่อตายลงสัญญาและสังขารดับลงทันทีหรือไม่ครับไม่ดับเลยมันไปกับจิตที่ตายก็มีแค่ร่างกายทั้งที่ดับสัญญาสังขารวิญญาณก็ทํางานต่อไปสัญญาที่มีเกี่ยวข้อเรื่องบาปก็สร้างเรื่องความทุกข์เรื่องเรื่องราวที่หวาดกลัวให้ได้ให้จิตได้สัมผัสรับรูก้ก็เป็นนรกขึ้นมาสัญญาที่จําเรื่องความดีนับจาเรื่องบุญก็ะจะผลิตเรื่องที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจ อย่างังคายมันทำท่างานตลอดเวลานัางกายตายไปมันก็ทํางานต่อมันก็อาศัยสัญญาที่ได้ไปที่ได้ไปไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมาเรื่องบุญเรื่องบาปถ้าเรื่องบาปก็สร้างเรื่องที่น่าหวาดตัวน่ากลัวขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องบุญก็มันก็สร้างเรื่องที่เรื่องบางที่เป็นความสุขขึ้นมา คุณแคทครับการบูชาพระราหูสะดวกระดเคราะห์ถือว่าเป็นการบูชาที่ผิดไหมเจ้าคะเราไม่รู้นะเราไม่เคยบูชาเราบูชาแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองคุณวัลินรดาครับเมื่อทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลให้คนเป็นทําได้หรือไม่คะและควรกล่าวเช่นไรเวลากวดน้ําครับเราถ้าอยากจะให้คนคนเป็นได้บุญยอมกัินไหมให้เขาดีกว่า มันก็คือความสุขใจไงถ้าอยากจะให้เขามีความสุขใจก็เอาเงินไปให้เขาเลยไม่นอ่อาเงินไปทําบุญแล้วค่อยอุทิศบุญไปบุญนี้อุทิศได้แล้วเฉพาะคนตายนะนี่ถ้าอยากให้คนเป็นมีบุญมีความสุขแล้วก็ให้เงินเขาเช่นวันเกิดเขาเราก็ซื้อของขวัญไปให้เขานี้ก็ทําบุญกับคนเป็นนะครับเข้าใจไหมพอเขาได้ของขวัญจากเราเขาแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหลบุญความสุขใจก็คือบุญไง คุณองุ่นเปรี้ยวครับบางวันเรานั่งสมาธิมีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านจนชวนให้คิดว่าเรามีสติเข้มแข็งแต่พออีกวันกับฟุ้งซ่านไม่สามารถทําจิตให้สงบได้เกิดจากอะไรครับเพราะสติเรายัางไม่ไม่ต่อเนื่องไม่สะเทือนนยังขึ้นๆลงๆอยู่พยายามทํำบ่อยๆท้ายมากแล้วมันจะสถียืนขึ้นถ้าทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำํำนีน่มันก็จ ะ, จะเจริญรับเสื่อมได้ คุณอัธสิทธิ์ครับทุกจากการที่ลูกไม่เชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่ถือว่าเป็นกรรมของเราไหมครับเป็นกเลสของเราเราอยากให้เขาเชื่อฟังทั้งน้องถ้าเราไม่มีความอยากเขาเชื่อฟังเราก็ไม่ทุกข์เราก็ทําหน้าที่ของเราไปสอนเข้าไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อกันเรื่องของเขาอย่างนี้เรา ก, เราก็เราก็จะไม่ทุกข์ ค, คุณวิทวัตครับการบรรลุพระอรหันต์จำเป็นต้องหมดกรรมไม่ดีทั้งสิ้นก่อนไหมครับ การมไม่หมดหรอกเครืองแต่ ย, ยุดการกระทํากรรมไม่ดีทั้งหมดนั่นเองกรรมใหม่แต่กรรมเก่านี้ไม่ไมหยุดมันไม่ได้มันผ่านมาแล้วแต่ถ้าหลังนี้จะไม่ทํากรรมใหม่ต่อไปกรรมที่ไม่ดีท่านจะไม่ทำอีกต่อไปคุณเทพรักษาครับในสติปัฏฐานสูตรกายานุสติกรรมฐานได้กล่าวถึงการพิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดกายภายในภายนอก การแยกเป็นอาการ32ในขั้นการปฏิบัติจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะต้องปฏิบัติอันไหนและทําอย่างไรครับคือในการยานุสติกรรมฐานนี้สอนอยูส่สามอย่างด้วยกันสอนให้เจริญสติสอนให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนให้พิจารณาด้วยปัญญาเแล้วเราต้องทําทีละอย่างไม่ใช่ทำสามอย่างรวมกันเลยเบือ้องต้นให้ฝึกสติก่อนให้มีให้มีความรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย ไวลากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนหรือกําลังทําอะไรให้มีสติอยู่เพื่อจะได้ควบคุมความคิดไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอเรามีสติมีกําลังพอแล้วก็มานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเขา้าเรียกว่าอนาปนาสติเดินกว่าจิตจารวมเป็นอั ป, ปนาสมาธิเข้าฌานได้พอเรามีฌานมีสมาธิมีโมเบคาแล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ศึกษา เรื่องราวของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอะไรมีอะไรบ้างมีม อ, าาอาการอะไรบ้างมีอาการสามสิบสองสวยไม่สวยเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่เป็นของเทียงหรือไม่เทียงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เรื่องของขั้นปัญญาและขั้นวิปัสนานี่มันมีสามขั้นเด้วยกันในกาย ะ, ะตาในกายะนุปสติกระมฐานนี้มีมีการสอนเพืการปฏิบัติอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นแรกขั้นเจริญสติ เพิเวลานั่งสมาธิจะได้จิตจะได้เป็นอัปปนาสมาธิการนั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วพอชานาญในสมาธิจิตมีอุเบกขาตลอดเวลาออกจากสมาธิมาก็เอาเอ า, เอาจิตที่มีอุเบกขานี้มาพิจารณาความจริงเพราะจิตถ้ายังไม่มีอุเบกขาบางทีมันพิจารณามาความจริงไม่น่าคือความตายอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นห ม, มบอกว่าถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเราเครียด เราก็พิจารณาความตายไม่ได้แต่เราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาเราจะทั่งมันสังอยู่ในใจว่าเราต้องตายเราต้องตายร่างกายต้องตายาต้องตายนียย้ไม่คน้นจนกราทั่งใจมันยอมรับได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความตายอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าวิปันสนาก็ยังเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างกา ย, ยคุณวันดีครับขอคาแนะนำจากพระอาจารย์นะครับ แฟนติดเตียงอยู่อยากให้แฟนมีจิตเป็นกุศลทําบุญบ้างตอนนี้ใจเขาไม่อยากทําบุญเลยทําอย่างไรได้บ้างครับก็ไม่อยากก็ไปบังค่าก็ได้ไงเปตัวของเขาใจของเขาเราชอบไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปทำไม่ได้กันทําไมดูความเป็นจริงซิอย่าไปดูความอยากของเราเขาอยากทําบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากทําบุญไปไปอยากก็ทําบุญทําไมทุกไปกเปล่า เนี่ยตอนนี้ถ้าไม่คนไม่อยากจะมาดูรายการนี้อย่าไปอยากเข้ามาดูโอ้อยากจะให้เัามีคนมาดูเป็นล้านวิวอเี้ยมันเป็นไปได้เปล่าเป็นไปไม่ได้หรอว่าเขาไม่อยากจะดูอ่ะเขาอยากไปดูลิซ่ามากกว่าเฮ้ยลิซ่าคนดูเท่าไหร่เป็นล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านว่าเขาอยากดูอย่างนั้นเน่ยแล้วเราจะไปยากให้เขามาดูอย่างนี้ได้ไยังไงดูความจริงดูความอยากของเขาเขาอยากอะไร ชัดเจนครับคุณนัทรดาครับทําอย่างไรให้สามารถกําหนดจิตแม้เราจะอยู่ในความฝันเวลาฝันเราลืมกําหนดจิตครับ เ, ออเวลาฝันนี่เรากําหนดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติหมดสตินอนหลับไปอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนิสัยถ้าเราเคยกําหนดจิตจนเป็นนิสัยมันก็จะกําหนดของมันเองแต่ถ้ายังไม่เป็นนิสัยมันก็ยังไม่กําหนด คุณอ้อครับทําความสะอาดหิ้งพระพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรที่บูชามาหล่นและตลกยอดแหลมแหลมหักเอากาวตาช้างมาติดแต่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอะไรไหมครับไม่เปน็นก็เป็นวัดถือเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ ง, งเราไปให้ความสําคัญกับตุ๊กตาตัวนี้แล้วพอตุ๊กตาตัวนี้เป็นอะไรเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาสิมันเป็นของไม่เทีย่ยมมันก็มีแตกไม่ ห, กหักได้เป็นธรรมดา เหมือนกับ่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายได้เหมือนกันกินอย่างนี้เราก็จะสบายใจคุณสิงโตครับกับผมขอสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับเมื่อออกจากสมาธิหรือเจริญสติระหว่างวันแล้วเมื่อคงอยู่ในความสงบไม่มีนิวรณไม่ว่าผมจะมองอะไรหยิบจับอะไร เห็นทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเช่นเห็นดอกไม้ก็จะเห็นตั้งแต่เป็นมเมล็ดไปจนโตจนออกดอกและเหี่ยวเฉาจนสลายเป็นดินบนซ้ําๆไปกับผมพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อมองทวนมาที่กายของตัวเองก็เห็นเป็นแบบนี้เหมือนกันบางครั้งก็รู้สึกขยะขยงร่างกายของตัวเองเป็นพักๆเมื่อมีสติกับผมควรจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับก็เราต้องละทันหาความอยากในสิ่งเหล่านี้ไง เมื่อเราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเราก็อย่าไปอยากได้มันสิเพราะถ้าเวลาได้มาแล้วเวลาที่มันเปลี่ยนไป ห, หรือหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดติดกับมันถ้าเรายังอยากได้มันอยู่นี่เราต้องตัดความอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงไปเท่านนี่การพิจารณาของไม่เที่ยงเพื่อให้เราตัดตัญหาความอยากไม่อยากได้อะไรก็อยากได้เงินทองได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดก็ทุกข์ซึ่งไม่มีเงินดีกว่าอยาู่ว่าแบบไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบพระนี่สบายไม่ทําำทุกข์ก็เรื่องเงินทอง อุนสราวุธครับการที่มีความคิดปรามาศพระรัตนตรัยผุดขึ้นมาในจิตใจเป็นๆหายๆพยายามห้ามคิดแบบนี้ก็ยังเป็นอยู่อาการแบบนี้คือกิเลสมาลใหม่ครับอาจารย์ก็มันเป็นสัญญาของเรามันอยู่ในใจของเราที่ชอบแบ ป, ปรามาศสิ่งต่งตงางๆเราก็ต้องสอนใจว่าพระรัตนตรัยเป็นอะไรเราถึงต้องไปปรามาศทันด้วยท่านทําร้ายเราหรือทําอะไรไม่ดีกับเราหรือเปล่าใช้เห็นใช้ผลคุยกับตัวเราเองดูสิถามเราทํำไมเราต้องไปปรามาศทันด้วย ท่านมาขโมยเมียเราไปหรือขอโมยทรัพย์สมบัติของเราไปหรือเปล่าให้ทําลองนี้ท่านมาหลอกลวงเราหรือเปล่าถ้าเหตุใช้ผลถามตัวเองดูงแล้วมันถึงจะสามารถที่จะหาคําตอบได้แล้วเราก็จะได้เลิกปรามาณได้คุณปุ้ยครับขอากาสถามเรื่องการทํางานคือการปฏิบัติธรรมช่วงที่งานยุ่งใจไม่ยุ่งเพราะฝึกนั่งสมาธิ แต่ถ้าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ท, ทาไมมันเหนื่อยคะเวลานั่งทํางานจิตนิ่งจริงค่ะแต่ไม่สงบ ค, ครับการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนย่อยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเต็มร้อยปฏิบัติได้ได้ส่วนเดียวก็คือการมีสติกับงานงานที่เราทำอยู่แต่ใจมันยังไม่หยุดคิดมันไม่ใช่เป็นสัมมาสติมันเป็นวิชชาสติก็จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรอกแ้าเป็นการปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นสัมมาสติคือมีสติ รู้อยู่กับงานที่เราทำแต่ไม่คิดถึงเรื่องงานที่เราทาอยู่ให้รู้เฉยๆแต่คนก็มักจะใช้ค ำ, คำว่าการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะมีสติเท่านั้นเองแต่วจริงมันเป็นมิจฉาสติมันไม่ใช่เป็นสัมมาสติมันก็ทําทำให้เหนื่อยได้ขึ้นมากๆมันก็เหนื่อยขึ้นมาได้ถ้าปฏิบัติธรรมไม่คิดมันจะไม่เหนื่อยครับตอนผมพาตัดสมองนะครับอาจารย์ นั่งอยู่หลายๆชั่วโมงนี้จิตโฟกัสอยู่กบที่ผ่าตัดสมองอยู่ในกล้องไมโครสโคปเลยครับแต่พอผ่าเสร็จนี้เหนื่อยมากครับอาจารย์เพราตลอดเวลาก็ต<ะ>้องได้ความคิดต้องใช้ควาคิดอยู่กับงานที่เราทำอยู่ใช่ครับแต่ถ้าไม่ใช้ความคิดมันจะไม่เหนื่อยฉันนั่งดูละบายใจไปสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี้ใจจะเบาใจเย็นจะสบายท่านดูเฉยๆไม่คิดถึงเรื่องไม่คิดพิจารณาเรื่องลงให้รู้เฉยๆ มันต่างกันสติสมาสติกับมิจฉาสติมันต่างกันวิจฉาสตินี้มีสติอยู่กับงานที่เราทําแต่เราต้องคิดเกี่ยวกับงานที่เราทําว่ากําลังทําอะไรผิดถูกอย่างไรนี้ต้องใช้ความคิดมากคุณปัญชยาครับคุณแม่เพิ่งเสียไปลูกจะทําบุญแบบไหนที่ให้คุณแม่ได้รับบุญเจ้าคะสิบสองสิงหาได้พาคุณแม่ไปใส่บาตรพระอาจารย์ และคุณแม่กลับไปอยู่นครศรีธรรมราชได้เก้าเดือนคุณแม่เสียคุณแม่หนูพ้นอบายหรือเปล่าเจ้าค่ะแบบไหนก็ได้ถ้าอยากจะได้บุญมากก็ทําให้มากเท่านั้นเองจะบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้วัดก็ได้ได้ทั้งนั้นไปไปถ่ายชีวิตวัวควายออกมาก็ได้ไหวนกปล่อยปลาก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นไป อยากจะได้บุญมากก็ต้องต้องทำมากเท่านั้นเองมากน้อยบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ทำมากก็ทำน้อยคุณสุธาทิพย์ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติจนเห็นความเกิดดับหรือเห็นตายักครับก็เมื่อเราไม่ทุกข์กับมนันในทุกสิ่งที่มันเกิดดับเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องตายแล้วเราไม่ทุกข์กับมันนี่แสดงว่าเราเห็นความจริงเห็นตายรักนะ คุณชัยยงครับทําไมเวลาฝันจิตรับรู้โดยตลอดระหว่างฝันแต่พอพิจารณามีความรู้สึกว่าเป็นสัญญาครับคือจิตมันรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นจะหลับมันมีความมันรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่การที่จะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่สติทําให้รู้ก็ไม่รู้นี่สติมันจะดึงให้ให้จิตไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของสติ พอสติไม่ทำงานจิมันก็รู้เฉยๆถ้าไม่มีอะไรให้รับรู้มันก็ไม่มีอะไรรู้แต่ถ้าสัญญาสังขารบุงแต่งขึ้นมามันก็มีเรื่องราวเป็นความฝันให้รับรู้ไปในขณะที่เวลานอนหลับนั่นเองคุณเ็นจารักครับตอนนี้อยู่กับลมหายใจตลอดรู้สึกตัวตลอดแล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากธาดขันครับ ก็ต้องไหววางร่างกายนให้ได้ไม่ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายยินดีให้มันแก่ยินดีให้มันเจ็บยินดีให้มันตายก็จะหลุดพ้นจากธาตุขันได้คํำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับจากคุณวิชิตครับขอโอกาสครับมีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเป็นบ้าอยู่ในสภาวะไหนครับก็เขาเลียพภาวาไม่มีสติไง พยายามดึงสติกลับมาพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวภาวะที่จะเป็นบ้า ก, ก็จะค่อยๆหายไปเมื่อเราได้สติกลับมาคนที่เป็นบ้า ก, ก็คือคนเสียสติใช่ไหมคนเสียสติ่อขาดสติมันก็เป็นบ้าได้พอเรารู้ว่าเราทํามันจะเป็นบ้าก็รินน่มดึงสติกลับมาพุโทโธพุโทโธไปส่วนอ e ินทีโซไปเดี๋ยวก็ได้สติกลับมาใจก็สงบหายบ้าได้ วันนี้มีคำถามวันนี้คาถามเยอะ ม, มากเลยครับยังเหลื อ, อแบบมหาเยอะเลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมทายรูเก็บไว้ก่อนายหน้าเรียกว่าการหน้าันเถอะนะเปิค ร, ร, ราหน้าไม่มีคำถามครับผมอาจารย์ครับวันนี้มีผู้ฟังอยู่ใน f a c e b o o เจ็ด้อยแปดแปดสิบเจ็ดคนนะครับใน y o u ู u ห e 6้อยี่สิบเก้าคนในคับเฮาส์สิบสองคนครับมีผู้ฟังทาอยู่ด้วยกันหนึ่งพันี่ร้อยี่สิบแปดคนครับอาจารย์ครับ ครั้ง น, นี้มากเลยนะยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาความเทศความธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนํามาไปช่วยเนะให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นไปตามลําดับสลำดั บ, บคืนันี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตติจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด สาธุกันนี้เสียงใช้ได้นะเสียงไม่ค่อยนะไม่นไมนใค ร, คร บ, บนโอเคก็คิดว่าเอาท่านนี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าขาเจอกันใหม่ขอจเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ